คุณโยม อ, อัตมาคือพระโพธิญาณเทระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน้องประพง์ได้ขาววา่าโยมทุกพลภาพแล้วเพราะ โลกเยลาแล้วก็มีหมอโอไทยซึ่งเป็นโลกชายของยายเป็นผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนา และเมื่อมีอะไรอะไรเกิดขึ้นก็พยายามไปศึกษาหรือปรึกษาอาตมาเถวัดน้องประพงศ์ม่อยก็นับว่าเป็นพ่อมีความรู้สึกสนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ หลังนั้นท่านขึ้นไปวัดวันหนึ่งเพื่อไปกราบตัณศการอจมาขอเล่าถึงเรื่องโย่ไม่่อยสบายจึงขอร้องให้อจมาฝากธรรมะมากับเทพบุตนี้เพื่อจะให้เพื่อจะขนองคุณ ของคุณแม่เมื่อเวลาเก็บป่วยให้มีกำลังใจมากขึ้นดลังนั้นเบื้องต้นต่อ น, นี้ไปขอคุณยายจงตั้งใจสมทานสินห้าประการเป็นวาระที่สุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็ตั้งใจ ให้สงบเถอะครับต่อไปเพื่อจะสมาทานสิ้นต่อไปเอาตั้งใจนะโม ต, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ต, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Nak boh taca kewaktu arah tu sama sama pun taca putang jaranang katami, thamang jaranang katami. สังขังสนังขจามิทุติยมิพุทธังสังขจามิทุติยมิธัมมังสนังขจามิทุติยมิสังขังสนังขจามิ ต pues ัด cool er ียมปีพุทธัง e สร a ังขจามิตัดียมปีธรรมัง a สรนังขจามิตัดียมปีสังฆังสรนังขจามิเสรน a k ขะมณังนิตตัง นาทิปตาวีรมนีสิกขาปัทังสมาทิยามิอินธานวีรมีสิกขาปทังสมาิยามิ กามิสุิชฌาจาราวิรัมณีสิกขาปัสมาิาุจาวาดิรมณีสิกขาปัสมาทิยามิสุรามยะ มัจจาปมาตถานนิรมณีสิกขาปัฏฐานสัมพิยานีอิมานีปัญญาสิกขาปทาน a สิเรณะสุขติยันติสิเรณะภูเสัมปทา s i r e naniputing yanti tetmasi rangsodai nakmu tetak a k a w a t o arato a sama samputa t e t a nakmu tetak. ภะคะวัตถุอระหะตุส <tinha> ัมมาสัมพ <Pearl ment. S 2> yeah. um, <pay> ุทธะนัโมทัดจาภะคะวัตถุอระหะตุสัมมาสัมพุทธะสีเดนะสุขติยันติสีเดนะภูเสัมปทาสีเดนะนิพพุติยันติตม รังวิสุทธิเยด้ปฏิบติให้โยมใหญ่จงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาท ขององค์สุนดิประสมมาสัมพุทธเจ้าโดยคาระต่อไปอให้โยมตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งกตมาให้ธรรมะในเวลานี้ให้โยมตั้งใจ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 เพื่อจะคารพต่อองค์สมเด็จมระาสัมพุทธเจ้าบัดนี้อาตมาไม่มีอะไรจะฝากโยมซึ่งเป็นของที่จะเป็นแกนสารนอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น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 อายุถึงวัยนี้พระพูมีประภาของเราท่านบกโปรงตื่นโปร่งอายุสังขารคำที่ว่าโปร่งนั้นก็คือวางลงอย่าไปหอบไว้อย่าไปฮิ้ววันไว้อย่าไปแบกมันไว้สังขารคือร่างกายนี้ให้โยมยอมรับเสียว่า สังขารร่างกายนี้ถึงแม่ว่ามันจะเป็นยังไงยังไงก็ตามมาันเถอะเราก็เลยอาศัยสกุลร่างกายนี้มาตั้งแต่กํำเนิดเกิดขึ้นมาก็พอแล้วจนถึงเท่าชราแก่ชราบัดนี้เหมือนเปรียบประหนึ่งว่าไอ้เครื่องใช้ ไม่สอยเราต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งเราเก็บคมไม่นุ่มนานมาแล้วเช่นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเรานี้เมื่อแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดีเมื่อเราใช้มันมาตลอดกาลนานบัดนี้สิ่งทั้งหลายนั้นมันก็สุดไปโทมไป บางวัตถุ ก, ก็แตกไปบ้างหายไปบ้างชิ้นที่มันเหลืออยู่นี้ก็แปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนั้นนี่แคนั้นถึงแม้ว่าอวัยวะร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันแคนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่ม มันก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเรื่อยมาอย่างนี้ถึงวัดนี้ก็เรียกว่าแก่นี่ก็คือให้เรายอมรับนะพระพุทธองค์ท่านตัดว่าสังขาร น, นี้ไม่ใช่ตัวของเราแลกวก็ไม่ใช่ของของเรา ทั้งในตัวเรานี้ก็ดีกายเรานี้ก็ดีนอกกายเรานี้ก็ดีเหมือนก็เปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นให้โยมพีนิษพิจารณาดูให้มันชัดเจนอันนี้แหละทางก้อนที่เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอนอยู่นี้กำลังมันสุดโซมอยู่นี้นี่เด็คือสัจธรรม สัจธรรมคือความจริงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนอย่างนั้นท่านจิงในมองพิจารณาดูว่ายอมรับมั้ยดิยอมรับมั้ยนะยอมรับมันก็เป็นจิิงที่ควรจะยอมรั บ, รบถึงแม้ว่า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 อันนี้เป็นความจริงนรือเกินเช่นคุณยายได้พบอยู่ในวันนี้ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็มองดูด้วยปัญญาพวกเราหเห็น้วยทีให้เห็นเถอะถึงแม้ว่าไฟมันจะไหม้บ้านเราก็ตามถึงแม้ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านเราก็ตามถึงแม้ว่าไฟอะไรต่างๆ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 เียงอะไรทุกๆอย่างอางีมากแล้วอะไรทุกอย่างก็มามากมาทถึงนั้นแหละอีมันก็เท่านั้นแหละจะรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็เท่านั้นเนี่ที่ไม่อร่อยไม่อร่อยมันก็เท่านั้นแหละตาจะดูรูปส ว, สวยๆมันก็เท่านั้นแหละรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นแหละหูเลยฟังเสียงที่มัน ไพ่ละสนุโซจับอกจับใจมันก็เท่านั้นเลยยิ่งใจฟังเสียงที่ไม่ไพลเลาะไม่จับอกจับใจมันก็เท่านั้แหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านที่บอกว่าทั้งคนร่ำรวยทางคนทุกจนทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางเด็กตลอดทั้งเจตฐานทั้งหมดด้วย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 เหมือนน้ำในเม่นม้ำที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามตาภาพอย่างนั้นอย่างแม่นม้ำอิุธยาแม่น้ำ ม, มุมแม่น้ำที่ไหนก็ตามเนี่ยมันตน้องมีความไหลบนไปทางใต้เั้งนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปนทางเหนือแล้วธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมตมติว่าบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งเปยืนอยู่บนฝั่งของแม่น้ำแล้วก็ไปมองดูกระแสนะ้ามันก็ไหลเขี้ยวไปทางใต้แต่บุรุษคนนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้นะ้ำนันมันไหลขึ้นไปทางทิดเหนืออยากไหลขึ้นไปเหนือนะ้าอย่างนี้นี่มันก็เป็นทุกข์บุรุษคนนั้นจะไม่มีความสงกเลย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 บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจทําไมถึงไม่สบายใจเพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูกพีเจลาไม่ถูกลัมนิไม่ถูกพีเจลาไม่ถูกอเพราะว่าความเห็นผิดเป็นมิจฉาคิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเห็นว่าน้าํามันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้ําทางใต้จะหไหลไปทางเหนือมันไปไม่ได้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 เมื่อไปมีปัญหาก็ไม่ต้องจะเป็นทุกข์อันนี้กับฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำที่มันหลายไปทิดได้นก็เหมือนชีวิตร่างกายของยายอยู่อย่างเนี้อือเมื่อมันหนุ่มเลยมันก็แก่เมื่อมันแก่แล้วมัก็วนไปตามเรื่องมันอันนี้เป็นสัจธรรมอออย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้น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 ปุถุถึงแม้ว่าจะเด็ดจะเหนื่อยก็ยิ่งให้โยมทําจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาวๆสืดลมเข้ามมายาวๆหายใจไปยาวๆแต่ว่าตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมปุโธปุถโุ โ, โดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไรก็ยิ่งกำหนดจิต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 ภาวนาพุโทพธโธอทโธปล่อยวางค้งนอกให้หมดอย่าไปเกาะการะลูกอย่าไปเกาะกระรานอย่าไปกาะขาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท่งนั้นให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตดรงที่อันเดียวรวมให้กำหนดลมเอาจิตนั่นแหละไปรวมอยู่ที่ลมให้คือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องให้รู้อะไรมากมาย กำหนดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปดี่ด้วยไปจนกว่ามีความรู้สึกไม่น้อยแต่มีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดเป็นทนอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไปจะค่อยลระงับไปไค่อยๆระงับไปพ้งงปนที่สุด เราเราก็รู้มเหมือนกับเราญาติมาเยี่ยมบ้านเราเราจะตามทรงญาติขึ้นรถลงเรือแล้วไปตามไปถึงท่าเรือตามไปถึงรถเราก็ส่งญาติเราขึ้นบนรบแล้วก็ส่งญาติเราลงเรือก็ก็ติดขึ้นเรือขึ้นรถไปดิว้วเท่านั้นแหละเราก็มองไปเธอหมดไปมองไปเต่ญาติเราไปลแล้วเราก็กลับบ้านแล้ว เราลูเหมือนกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดเรากลู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่ๆไปแเราก็มองไปมองไปตามไปน้อยไปโน้ยไปทําผิดให้มันตื่นขึ้นทําลบในมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปทันที่สุดแล้วจนกว่าลมหายใจมันน้ยลงมันน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มี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 ไม่ส่งจิตไปทางอื่นในมันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงเจ้าพุทธพระเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านปฏินิพพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปกายี่มีรูปไอ้พระพุทธรูปรพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างอันสวยัยอันเบิกอันบานอย่างนี้พบเห็นนี้ ถ้าก็มีอันเดียวท่านี้ให้มารวมลงที่นี้ท่านั้นอยากไปให้วางให้วางทั้งหมดโดยติดความรู้อันเดียวแต่อย่างให้หลงนะอย่าให้ลืมไม่ได้จะมีนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นอืมไม่ต้องเงาอะไรเอาความรู้อันเดียวให้รู้สึกกัความรู้อันเดียวเท่านั้นเนี่ยอืมไม่ห่วงข้างหน้า ไม่ห่วงครั้งนั้นหยุดอยู่กับที่ผลที่สุดจนกลัวข้างหน้าก็ไม่ไปเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่มั้ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวเพราะว่าไม่มีตนไม่มีเราและไม่มีของของเราหมดนี่คือคำสอนประกฏทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ ในละคข้วเอาอะไรไปไในเราข้วเอาอะไรไปในเราลูอย่างนี้ลู้แล้วก็ปล่อยลูแล้วก็วางบตรนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวซะแลว้วให้เข้าถึงธรรมะอย่างนั้นอันนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากวัดสงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจให้พินิจพิจารณาอย่าไปห่วงคนโน้น อ, อย่าไปห่วงคนนี้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 นึกถึงลูกก็น <ét lar vivo> ึกถึงโวยปัญญาอย่านึกถึงโดยความโง่นึกถึงหลานก็ให้นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงโดยความโง่อะไรอะไทั้งหมดแต่เราคิดก็ได้เรานึกว่ามันก็ได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้โวยปัญญารู้โดยปัญญาก็ต้องปล่อยรู้โวยปัญญาก็ต้องวางถ้ารู้โวยปัญญาคิดด้วยปัญญามันจะไม่มีทุกข์ มันจะมีความเบิกบานมีความสุ่มลานมีความส ง, งบมีความรังรับเป็นอันเดียวจิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลมลมหายใจบัดนี้เป็นภาละของคนใยญยคนเดียว ไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นครับทุกหน้าที่ของเราก็เป็นทุกหน้าที่ของเราทุกหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็คือพยายามรวมความรู้สึกไว้ที่จิตของเราไม่ให้กระวนกระวาย เป็นธุละนาทีของเราเราดูจากทุระนาทีของเราในเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ในเวลานี้เราอยู่อย่างไรจิตเราเป็นอย่างไรจิตเรารกังวลกับอะไรไหมจิตเราเป็นห่วงายไหมให้ตรวจตาดูจิตของเราในเวลาที่เราป่วยนี่อย่าไปเอาธุละของโลกมาทำ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 ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือทุระนาทีของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาสักเรื่องรูปก็ปล่อยเขาจะเรื่องเสียงก็ปล่อยเขาสักเรื่องกลิ่นก็ปล่อยเขาสัเรื่องรสก็ปล่อยเขาสัเรื่องอะไรอะไรก็ปล่อยเขาสัยเราจะทําทุระนาทีของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็ลุกในใจอย่ามากวนฉันไม่ใช่ทุระนาทีของฉัน ความมีภาพมีการอะไรก็ตามว่าเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเรากลัวในจิตกลัวอันตรายเพาเราจะตายอย่างนี้เป็นต้นนี่คิดถึงคนโน้นแต่ก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวรนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่ามากวนฉัน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 เมื่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขาใครจะเป็นยังไงอะไรไม่อย่างเนี้ยเป็นโลกทางนั้นแหละมันเป็นโลกทั้งนี้ทั้งนั้ น, น, นบเราคิดขึ้นมาแล้วก็กลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเก็บกลัวกลัวทั้งหลายมันเป็นโลกเหล่านั้นแนะ่ละที่เโลกเนียมันเป็นโลกโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นอมันเป็นโลกถ้ามันมีขึ้นมาในใจแล้วก็รู้สึกว่าโรกนี้คืออารมณ์อารมณ์นี่มันมาบางที ไม่เห็เนจิดของตนอย่างนั้นอะไรอะไรทุกอย่างนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมายอมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ธุระของฉันนีเนเนเนเ่เป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกข์ขังเป็นเรื่องอนิตจาเราจะคิดว่าอยากจะอยู่ไปนานๆนอยากจะอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายให้อย่างนี้ให้เร็วๆ เ, เดี๋ยวนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนายายนะ เป็นทุกข์เอ่เพราะว่าสั้งข่านี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแตง่งเอเย้ยมันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้เป็นตกแต่งมันไม่ได้มันปิด ม, มันอยู่อย่างนั้นตกแต่งได้ก่อนนิดๆน้อยๆอย่างว่าอืออือเป็นธุระตกแต่งร่างกายของเราให้มันสะสวยให้มันสะอาดอา่ยหรือเด็กๆเขาดูที่มันาาทาปากมันทาศอกก็ยัด ทำเรียกไนมันยาวแต่ทำอะไรมันสะสวยแค่นั้นแหละย่เมื่อแกมาเรียกรวมในกระป๋องเรียวกันตอนนั้ น, นไม่มีอะไรนะตกแต่งแค่นั้นแหละตกแต่งจริงๆไม่ได้แนละ้วก็เป็นอย่างนั้นเดิมสังขารนั้นจะตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจของเราบ้านที่ยายอยู่นี่ยายก็สร้างขึ้นมาสองตายายสร้างขึ้นมาก็ดีอยู่สังบ้านมี่คนคนอื่นก็เหมือนกัน ดึกดางบ้านช่องทางร้ายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างว่านคุณหม อ, อุทัยอาตมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้อยู่ที่นั่นสร้างขึ้นสะสวยใหญ่โตก็ได้นะสร้างจะสร้างบาง้านทางนอกใครๆก็สร้างกันได้ทังนั้นแหละแต่ว่ารพระพุทธองค์สัียกว่ามันมันบา้านทางนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันที่บ้านโดยสมมติ บ้านอยู่นีแล้วโลกมันก็เป็นไปตามโลกนั่นแหละนี่บางคนก็ลืมนะนี่ในบ้านใหญ่บ้านโตนี่สนุกสุขสำราญดื่มบ้านจริงๆของเราอะบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหนนี่บ้านที่จริงของเราคือมีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนั่นแหละเป็นบ้านของเราจริงๆบ้านที่เราอยู่นี่หรือบ้านที่ไหนอะไรก็ตามดีเถอะนะ บ้านก็สวยแต่อยู่ว่นนี้เขาสมมุติเดี๋ยวก็เพราะอันนู้นเดี๋ยวเพราะอันนี้เดี๋ยวห้องอนนั้นเดี๋ยวห้องอันนี้อยู่อย่างเนี้ยเรียวว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านทางในมันเป็นบ้านทางนอกอีกปรเดี๋ยววันใดวันหนึ่งแล้วก็เลิกมันเทิงเนี่ยบ้านนี้แล้วไม่ได้อยู่หล้วมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราบ้านทางในก็คือสกุลร่างกายของเรานี่เองก็ยังเห็นเหมืเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีก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 อย่างคุณยายนะลองคิดตดูที่ในเวลานี้มันเป็นอย่างไงนะคิดมาดูแต่วันเราเกิดมาเลยเนี่ยมาวันนี้คือเราเดินหนีจากเออความจะเดินอยู่นีนโลกนี่เดินไปนี่ลเราเดินไปนี่ออื้เราเดินไปนี่เดินมาเดินมาจนจนแก่จนเก็บขนาดนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันไม่ได้มันก็ไปความมันอยู่อย่างนี้ เรื่อมันเป็นอย่างนี้มไม่งั้นมัให้เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไมได้เหมือนกันกระเป็ดอยากให้มันเหมือนไก่มันก็มีเหมือนแต่มันเป็นเป็ดไก่อยากให้มันเหมือนกับเป็ดมันก็เป็นไปไม่ด้เพราะว่ามันเป็นไก่ถ้าใครไปคิดอยู่ว่าอยากให้เป็ดเหมือนไก่อยากให้ไก่เหมือนเป็ดมันก็ทุกเท่านั้นแหละเพรว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าโยมมากินว่าเออเป็ดก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละ ไก่ก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแด่ใก่เปยดเหมือนไกลมันก็เป็นไปไม่ได้ไกลเหมือนเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วเราจะมีพะละเราจะมีกำลังเพราะว่าสกลร่างกายนี่อยากแห่มันยืนนานถ้าวอนไปเท่าไหร่เท่าไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ น, นี่ ท, ท่านยิงเหลียวสังขาร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 ลมหายใจเข้าออกของเรานี้อืมันก็ออกแล้วมันก็เข้ามาเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมราของลงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นอืต้องกลับไปกลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญก็อยู่ใยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูดีกว่าหายใจออกอย่างเดียวนะมันยังเข้ามาได้ไห สบายไหมคือสูดลมเข้ามาแล้วมาเห็นมันออกดีไหมนีอยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกแล้วก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรมรมดาเื่อยนเกิดแล้วก็แก่แก่เลิกเก็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาแท้ๆเหมือนสันกงกะลมเราเข้ามาแล้วมาให้ออกไม่ได้ ออก ไ, ไม่ได้และเข้าไม่ได้ถ้ามีการออกแล้วก็เข้าเข้าแล้วออกยังมีชีวิตทำชีวิตให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่เทุกวันนี้เข้าสังขารมันตามตามหน้าที่ของมันอย่างนี้เ น, นี่ยมันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของในจริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นนี่อันนั้นมันจริงแล้วเรามองเห็นอย่างนั้นในความเกิดแก่เกียจตายเมื่อเราเกิดมาแล้วนะโยมก็คือเราตายแล้วนั่นเองนะ ไอ้ความเกิดกับความตายมันเหมือนกันถึงนั้นเนี่ยอันหนึ่งเป็นต้นอันหนึ่งเป็นปลายเหมือนต้นไม้ของเรานั้นเนี่ยเมื่อมีโคนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคลนตายก็ไม่ดีที่มีปลายก็ต้องมีโคลนมีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็นเมื่อขังเมื่อกันแต่มนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายมันก็โศกเศร้าวุ่นวายร้องไห้เจ็บใจ สารพัดอย่างหลงไปดีอยู่มันหลงนะ่ะดีคนจะตายไปร้องไห้พิไรําพันธ์จำจะไหนจะลอยมาไม่เคยใครพิจะะารณาให้ชัดแจ้งนะ้ความเปจริงอาจจะมาเห็นว่าละเพาโอกาสเลยนะว่าถ้าจะร้องไห้กับคนตายเนะ่ยร้องไห้กับคนที่เกิดมาดีกว่าดีคนะที่เกิดขึ้นมานะั่นหรอวะนี่ได้มากลับกันใี่ย ถ้าคนเกิดมาเราโวมเราทําไรหัวเลาะดีอกดีใจกันที่หมบ้านไอความเป็นจริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละก็คือเกิดต้นนึ่งก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักถึงเวลาจนจะตายเมื่อตายก็ร้องไห้กันนี่คือคนโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นก็โง่มาแต่ต้นก็ยังจะดีนึกมาเกิดมาแล้วร้องไห้กันทันทีเถอะ ดูใ้ดไอ้เกิดนั่นในตัวตายนะั่นแหละตอนไอ้เกิดต้อมามีตายเหนะ็นไหมอือไอ้ตัวเกิดก็คือตัวตายตัวเกิดเราไม่เห็นว่าตัวตายซะไอ้ตัวตายก็คือตัวเกิดตัวเกิดก็คือตัวตายอย่างนั้นย่อมอือไม่ต้องนึกอะไรให้มันวุ่นวายมากมายว่ามันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้อใครช่วยไม่ได้ โลกช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพยสินเงินทองช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่ให้วันไว้ไปมาปล่อยมันทิ้งมันใช่ไหมเราปล่อยมันมันทิ้งมัน อ, อถ้าเราไม่ทิ้งมันปล่อยมันมันก็จะหนีอยู่แล้วเลยอืมอะไรที่ว่าะร่างกายของเราเนี อ, มอมืมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะเห็นไหมรู่ง่าย่ะ ใช่เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นน้อยผมมันกว่าลำปี้เห็นไหมบางทีมันงอนี่เดวามันหนีเลยนะนี่เรียกว่ามันหนีนะตาเรามันสว่างสวัยดีเป็นเด็กเป็นหนุ่มนะบางทีมันฝ่าฟ า, ฟางเนหะ็นไหมนี่เดวามันหนีแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วก็จะต้องหนีนะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาจะแล้วอือะไรทุกสิ่งทุกส่วนก็จะนีแล้วฟันของเรา เด็กๆมันแน่หนาถาหอนไหมบัดนี้มันโยกมันคลอนอย่างนี้ฉะนั้นจะได้ใส่ฟันใหม่แล้วก็ได้อย่างนี้นี่ของใหม่เนี่ไม่ใช่ของเก่าของเก่ า, ข เ, กาเข้าไป็นในยเขาดีแล้วเพียงทั้งวงในวิยญาณร่างกายเราเนี่ยสุขคนยัยหรือคนทุกๆคนอย่างเนี้ยเขาพย า, าพยามจะหดีกันเนี่ยหรือในร่างกายดีเขาพยายามจะนี้ ตาหูจมูกรินกายทั้งหมดก็พยายามจะหนีทําไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่โชคลาภเท่านั้นบอกไปไม่ว่าจะตัวของเราละทั้งหมดอาบายบาลเนี่ยผมก็ดีขนก็ดีเล็บ ก, ก็ดีฟันก็ดีนังก็ดีทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้ก็าเรียงหนีเลยนะหนีเขาเรียงหนีไปแล้วพยายามหนีก็หนีไปบ้างแล้วเพียงไม่หมด ยังเนื้อที่คนเฝ้าบ้านอยู่เล็กน้อยเฝ้าบ้านก็อยู่ก็ไม่ค่อยดี่ะนี่ตาเนี่แสงก็ไม่ค่อยดีไอ้ฟันนี่ก่อ็ไม่ค่อยจะดีหอมนี่ก็ไม่่อยจะดีร่างกายนี่ก็ไม่ค่อยจะ ด, ด, ดีทำไมก็เข้าหนี้ไปบังแล้วทยอยกันไปนี่นี่นี่ทยอยกันไปนี่นี่ขยายเขาจะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรง เป็นที่พักโจคราวเท่านั้นแล้วก็ไปยานั้นโยมไม่ควรห่วงใยอะไรมากไหมไม่โดนในโลกไม่ที่นาโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้ น, นม Mid world, NG ไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเขาที่นกำจะหนีกันแล้วยอมคิดๆโดี่ดูไปดูตามสภาพร่างกายดิว่ามันมีอะไรเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมหนังเหมือนเก่าไหมผมเหมือนเก่าไหมตาเหมือนเก่าไหมหูเหมือนเก่าไหมฟันเหมือนไหม ไม่เหมือนเยอะก็ไปไหนกันหมดแล้วเนอะนี่ทำไมชัติเขาเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่แล้วอืตามวาละของเขาแล้วเขาก็ต้องต้องไปทําไมเขาจะต้องไปก็ธุระเขาเป็นอย่างนั้นไอ้ความเจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ที่นี้ไม่ใช่ที่อยู่อย่างเนียหนาถาวร อ, อะไร อยู่แล้วแบวุ่นวุ่นไม่ไม่สุกสุขทกๆไม่สงบละครับถ้าเป็นคนก็คนเดินไปยังไม่ถึงบ้านยังอยู่ระวังทางเดี๋ยวคนจะกลับเดี๋ยวคนจะไปเดี๋ยวคนจะกลับเดี๋ยวคนจะไปเดี๋ยวคนจะอยู่เป็คนด้วยวีอยู่ยังเราเดินเดินออกจากบ้านเนี่ยเปรียบว่าเราเดินไปกรุงเทพเราเดินไปที่ไหนก็ช่ไ้มไปบ้านนอกที่ไหนก็ตามกันเดินไปเดินไปเมื่อไปถึงบ้านเราเมื่อไรเป็นต้นก็ไม่น่าจะอยู่ นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะไม่ถึงบ้านเราบัดนี้ถ้าเราถึงบ้านเราแล้วก็สบายเพราะเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในโลกนี้มันเรื่องไม่สงบทั้งนั้นแหละถึงแม้มันจะหลับด้วยมันก็ไม่สงบมันจนมันก็ไม่สงบมันโตก็ไม่สงบให้เป็นเด็กมันก็ไม่สงบมีความรู้น้อยมันก็ไม่สงบ มีความรู้มากมันก็ไม่สงบเรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนั้นคนทีมีน้อยมันก็มีทุกคนที่มีมากก็มีทุกเป็นเด็กมันก็มีทุกผู้ใหญ่มันก็เป็นทุกแก่แล้วมันก็ทุกทุกอย่างคนแก่ทุกอย่างเด็กทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันเป็นทุกอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอริยาทุกส่วนนี้นั่นเปบยาทยอยกันไปนี่นี่มีทนั่นค่ะคุณยาย พิจารณาอย่างนี้แล้วี่จะเห็นว่าอนิจจังเมินเป็นของไม่ที่นือทุกขังมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรอันตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอไอ้ร่างที่เราโยมอาศัยอยู่ดี่นี้ร่างกายเนี่ยนั่งอยู่นี่นอนอ่เก็บป่วยอยู่นี่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 ดังนั้นให้เข้าใจใชว่าที่นี่ทุกคนแม้ตลอดปลวกลดีมดในสตวตัวนี้นิดก็ตามทีแล้วนะเขาจวนพยายามจะหนีกันนะนะไม่มีใครอยู่สักอย่างไห้เช่ที่มีชีวิตยอยู่ไปพอควรเนี่ยเรก็ตายกันทั้งนั้นนะทั้งคนจนทั้งคนร่ำรวยทางเด็กทั้งคนแก่ทา้งสเด็กช้านให้จริงที่ชีวิตอยู่ในโอกนี้มีแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ นี่ก็ น, นั่นะคุณยายรู้สึกว่าโลกนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะว่าหน้าเบื่อนายเฮ้ยหน้าเบื่อมันอะไรมันเป็นเป็นตัวของตัวแล้วนะเบื่อนายนิยพพิธาความเบื่อนายเมือ่อนายไม่ใช่มาไม่รังเกียดนะไม่ใช่รังเกลียดนะไม่ใช่ลังเกียดนะ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 Blue แรงมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นเองว่าในที่ตัวอนิจจังพูดยังไงตัวอนิจจังนั่นแหะตัวพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราเขไปเห็นอย่างจริงจังอะอนิจจังเป็นของไม่เที่ยนั่นแหละคือตัวประพุทธเจ้าถ้าเราเห็นอนิจจังแล้วอนิจจังของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปก็มันก็เที่ยงเที่ยงอย่างไรก็เที่มันเป็นอย่างนั้นแหละไม่แปลเป็นอย่างอื่นมันกถัดเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้น มันที่อย่างนั้นแต่ว่ามันในที่นั้นจะมันแปลไปแปลมาเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเท่าเฉลแก่สลานี่เรียกว่ามันในที่และความที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะทุกคนทุกระบบการก็เรียกว่ามันเที่ยนไม่แปลเป็นอย่างอื่นมันแปลของมันอยู่อย่างนั้นมันในที่ถ้าคุณญาเห็นอย่างนี้ก็ในใจจะสบายไม่ว่าเราคนเดียวเราทุกๆคนเป็นอย่างนี้ อย ง, งนั้นมาชีวิตนี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิทากลัวมเบื่อนายหายความกำหนัดและไขในโลกในกางในโลกานิตรทั้งหลายนี้ทีมีมากกว่าที่ไม่มากมีน้อยกว่าที่ไม่น้อยทุกคนดูไปทีนะีร้ระยะเกิดเกิดขึ้นมาเห็นไหยเห็นคนจนไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมยเห็นคนอายุยืนไหมก็เป็นเท่านั้นแหละนะ อย่างนั้นตามความจริงมวันนั้นที่สําคัญนั้นพระพุทธเจา้าเห็นว่าให้สร้างบ้านเจ้าของสร้างบ้านสร้างบ้านโดยวิธีเตตมาบรรยายธรรมะให้ฟังอย่างนี้สร้างบ้านให้ในปล่อยให้ในวางปล่อยแล้วก็วางมันจะมันถึงความสงบเในความสงบนั้นก็เลยไม่เดินไปทํางหน้าไปข้าวมาข้างหลังไม่หยุดอยู่เดี๋ยว ม, มันสงบสงบจากบ้านเดินไป สงบจากการถอยกับสงบจากการหยุดอยู่เนี่ยไอความสุขนี่ก็ไม่ใช่ทีอยู่เราไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่ที่อยู่ของเราอืทุกข์มันก็เสื่อมสุ ข, ขมันก็เสื่อมทั้งนั้นเนี่ยบัดนี้พระบรมโคดินเห็นว่าสำคาญทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นของไม่ที่นี่ฉนนทันจิมชอนให้พวกเราทั้งหลายถึงเวลาถุดท้าย อย่างนี้ทุกคนกั้นปล่อยปล่อยคือวางอี่แม้ว่ามันเอาไปไม่ได้จำเป็นก็ต้องจะวางอยู่นั่นเองแหละอื่นี่พอเราวนวางไปก่อนมันจ่มันจะไม่ดีกว่าแหละอืมอมันแบกแล้วรู้สึกว่ามันหนักมันรารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ไม่แบกมันจะต้องทิ้งมันก่อนเยอะมันจะไม่ดีหรืองั้นอืมจะไม่ควรแบกมันทําไม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 เก็บตรงไหนเป็นอะไรก็ให้รู้จักตั้งกิตให้มันีีคงที่รักษาพ่อแม่ก็ดีมันการก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่ารังเกียดที น, นี้ฉ น, นองคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นนะอืมวนต้นเกิดมานะเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ ถาใส่พ่อใส่แม่เราท้กเติบโตมาแบบนี้ได้มาอยู่เดี๋ยนี้นั่งร่วมกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่ได้ามาสารทัดอย่างคุ่พ่อแม่นี้ดูกมาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณเนืนเ้อที่สุดเกินนะมีบัดที่้ลูกหลานทั้งหลายทุกๆค น, นให้เข้าใจว่าแบบนี้พ่อแม่เราเป็นเด็ก พ่อแม่เราเป็นลูกเราทล้งนก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกแล้วั้งนั้นเพราะอะไรแก่ไปแก่ไปแก่จนแก่เลยเป็นเด็กจําก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหู ก, ก็ไม่ยินอะไรพันอย่างบางทกกีก็ผูดถูกถูกผิดผิดเหมือนเด็กนั่นเองี่ทีมันเด็กนั่นอี่มันเด็กนั่นนี่นั่นน่ะลูก หลานทั้งหลายนั้นให้กำใจมากให้ปล่อยให้ปลอยให้คนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อยใอ้คนที่ไม่สบายเราอย่าไปถึงอะไปล่อยซะให้ตามใจทุกอย่างนั่นแหละที่นี้เรปล่อยเแล้วเหมือนเด็กๆเด็กๆที่เราเปิดมาอะไรมีฟังพอไม่ปล่อยทุกอย่างนะปล่อยให้เด็กมันสบายมันให้เด็มันร้องไห้ม่ให้เด็กขัดใจอะไรเี้พอเแม่ของเราแบบนี้เหมือนกัน สัญญามันนี้ประหลาดแแถลงคนแก่บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานเรียกลูหลานคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่งจะเอาเรียกเอาอหบอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรี๋ยวเอาแก้วมาก็ได้อะไรมี่มาเนี่มันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะครับครั้งนี้ก็ให้ยกให้พิจรารณาไอ้ที่คนป่วยเนี่ยก็เป็นห้นึกถึงคนที่พยาบาล มีคุณธรรมให้อดอดทนต่อทุกขเวทนาเวทนาสารพัดอย่างซึ่งมนเกิดมาให้อดกลั้นให้ทำเพี้ยนออีในใจของเาอ่าให้มันวุ่นวา ย, ย่าให้มีความลัำวากยากจนเกินไปแก่ผู้กริบัดโอปปะทาของเราผู้ปปะทาก็มีคุณธรรมยาลังเกลียดนำโมกนำไรหัวใจละประมาอะไรต้องพยายาม เท่าที่เราจะทำของแล้วได้ครูลูกทุกคนจะช่วยกันดูในเวลานี้วันนี้เรามีพรหตุรรย์เนี้ยเราอาศัยมาในเกิดมาเนี่ยเปิงครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอางอันนี้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เรานี้มเรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพสมบัติเราถึงเราจะนี้ อร่อยทุกอย่างจะมีลูกมีหลานมีบ้ากมีช่องทีดีๆอะไรแล้วมีอาชีพที่ดีถึงลูกหลานเนะได้ ส, ส่งเสียลูกหลานให้เราให้เรียนตลอดตัวเรามีกับเพราะอะไรนี่คือคนของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดรับมรดกตกทอดกันมาอย่างนี้ที่เป็นวงตระกูลอย่างนี้อย่างนั้นพราพวดพระองค์กันดิสอนว่าการญยูกับประเทศ กตัญญูกตเวทีกตัญญูก็กตเวทีนี่เป็นธรรมที่ฉนองจงก น, นกันดีกันนี่กตเวทีก็ทําความดีมาแล้วใครามความดีก็เรามาใครสงเคราะห์เรามาเขาเลี้ยงเรามาใครเลี้ยงเรามารร น, ามานี่เป็นคนกตนเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนึง่งคนนั้นแหละ จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากิไม่มีใคราต ก, ก็ดีนะ้เป็นคนกตเวทีกาตัญญูก็คือตัวเรา ท, รทูขานมีกตเวทีหนึ่งที่อุปถัมภะถาพรุลูกบางุลมาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านเนี่ยว่ากาตัญญูท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลำบาก ท่านมีความขัดข้องโดยประการใดเราก็ต้องเสียสะละรับผาละทุระอนนั้นช่วยท่านเพราะการอยู่กตเวทีี่เป็นธรรมที่ความปูนโลกอยู่ให้วงตะระกูลของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตะกุฎของเราเรียบร้อยให้วงตะระกุฎของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้อือันนี้แหละวันนีอ้อาจจะมาเลย ฝากเทศฝากธรรมะคำสอนมาฝากยายในเวลาเจ็บป่วยนี้ลอยความสำนึกน้อมมาอาสัยคุณหมออุทยัยซึ่งเป็นลูกๆของยอมนั่นแหละถึงผู้ปัติธวร เป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาอยู่ที่ว่านมันเยอะแยะเลยนะ่ะเอาไปเอกมามันลำบากเนะออาตมากจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไม่เป็นซึ่งมันเป็นแก่นเป็นชานถึงใยาย ในฟังธรรมะนี่แล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นเมื่ออะไรก็ยังไม่หมดเมื่ออะไรก็ยังไม่จุกสัจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้ธรรมะก็พลอยดีใจด้วยว่าได้ฝากธรรมะให้คุณยายมีพลังหิดใจขี้เข้มแข็งต่อสู้นนก็บสิ่งทางรลยเหล่านี้